จเจรินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่ยี่สิบสองธันวาคมพุทธศักราชสองพห้าห้าสิเกเป็นวันพระวันธมมรรมสวนาวันฝังธรรมวันที่พวกเรา จะได้เข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราได้อย่างแท้จริงที่จะเป็นผู้ที่มาบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่พวกเราได้อย่างถาวรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เท่านั้นที่จะสามารถบำบัดทุกบำนุสุขให้กับพวกเราได้อย่างถาวรเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงบำบัดทุกบำนุสุขได้อย่างถาวรแล้วแล้วก็เอาไปสั่งสอนต่อผู้อื่นผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนามาไปปฏิบัติก็สามารถบำบัดทุกบำนุสุข ได้อย่างถาวรเช่นเดียวกันท่านเหล่านี้เราเรียกว่าพระอาหารหันตสาวกพวกเราถ้าต้องการบำบัดทุกข์บำบุดสุขอย่างถาวรเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของพวกเราถ้าเรายังไม่ได้น้อมเข้ามาสู่ใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็ยังจะไม่สามารถบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พวกเราได้เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคที่จะดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่เอามารับประทานเอามาเอาเข้ามาในร่างกายของเรายาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้หมดไปได้ ถ้าเราต้องการให้ร่างกายเราหายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรับประทานยายาที่อยู่ข้างนอกอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่ร้านขายยายังไม่สามารถมารักษาร่างกายของเราได้เราต้องไปซื้อมาแล้วก็เอามารับประทานพอเรารับประทานแล้วยาก็จะสามารถทำหน้าที่ได้ รักษาร่างกายให้หายได้พระพุทธพระธรรมพระสงค์ที่พวกเรากราบไหว้บูชากันตอนนี้ก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่เช่นพระพุทธรูปต่างๆที่เรากราบไหว้กันหรือพระพุทธเจ้าที่เราได้รู้จกักจากการศึกษาเราก็กราบพระพุทธเจ้าไปไปที่สังเวชนียสถานเพื่อจะได้ทําความเคารพ พระธรรมคําสอนที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นในหนังสือหรือจากสื่อต่างๆก็ยังเป็นพระธรรมภายนอกอยู่พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปต่างๆก็เป็นพระพุทธอยู่พระพุทธภายนอกพระสงฆ์องค์เจ้าที่เราไปกราบไหว้ไปทำบุญไปศึกษาธรรมท่านก็เป็นพระสงฆ์ภายนอก ท่านไม่สามารถที่จะทำให้ความทุกข์ของเราหายไปได้ตอนนี้พวกเรายังมีความทุกข์กันอยู่ถึงแม้ว่าเราจะมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. กราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. เป็นประจำแต่การกราบไหว้เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการที่จะบาบัดทุกข์บำบุดสุขของใจเขาพวกเรา ให้หายได้อย่างถาวรเราต้องเหมือนกับรับประทานยาเราต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของพวกเราวิธีที่เราจะสามารถนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของเราก็ด้วยวิธีการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาของพระประวัติของพระอริยสงฆ์สาวทั้งหลายว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรท่านบำเพ็ญกันอย่างไรเมื่อเราเห็นวิธีการของท่านรู้จากวิธีการที่ท่านสั่งสอนว่าให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้พอเราน้อมนำเอามาปฏิบัติตามเราก็จะนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสง เข้ามาสื่อใจของเราเช่นพระพุทธเจ้าทรงทําทานทรงสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆพวกเราก็ต้องทําทานเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านทําทานกันด้วยการสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่ท่านมีอยู่ไปให้แก่ผู้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องมามีภาระ กับการดูแลรักษาเงินทองไม่ต้องมีภาระ ก, กับการหาเงินหาทองไม่ต้องเสียเวลา ก, กับการมาใช้เงินใช้ทองเพื่อบำบัดทุกข์บำร ง, งสุขซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่จะบำบัดทุกข์บำร ง, งสุขได้อย่างแท้จริงต่อให้เราใช้เงินซื้ออะไรมาม า, มากมายเพียงรอยก็ตามเราก็ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ ออกจากใจให้หมดไปไม่สามารถทำให้ใจเรามีความสุขได้ตลอดเวลาเพราะเงินทองที่เราใช้ในการบำบัดทุกมำหลงสุขนี้ใช้ได้เพียงชั่วคราวเวลาที่เราไปหาความสุขกันด้วยการไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงแหล่งท่องเที่ยวเวลานั้นเราก็มีความสุขกันความทุกข์เราก็หายไป แต่พอเรากลับมาบ้านกลับมาทำงานกลับมาหาเงินหาทองความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆก็กลับมาใหม่เพราะนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่จิตใจของเราอย่างอย่างแท้จริงวิธีที่จะบำบัดก็ต้องบำบัดแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอริยสงสาวก ท่านสละเงินทองเข้าของไปเพราะท่านเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ไม่สามารถบำบัดทุกข์บงลงสุขได้อย่างแท้จริงมัวแต่หาเงินใช้เงินไปก็ไม่สามารถที่จะนอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้แล้วยิ่งต่อไปร่างกายก็จะแก่ลงไปนั่งกายก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายก็จะต้องตาย เวลานั้นก็ยั่งยิ่งจะไม่สามารถหาความสุขบำบัดความทุกข์ได้จิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์รุมเร้าอยู่ตลอดเวลาท่านจึงออกไปหาวิธีบำบัดทุกข์บำรงสุขที่ถูกต้องก็คือการไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเจริญศีลสมาธิปัญญาที่จะทำให้ใจของท่านนั้น ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้ใจของท่านมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขอย่างนั้นขั้นแรกต้องทำทานก่อนพวกเราตอนนี้ก็มาทำทานกันแต่เราอาจจะทำทานโดยไม่ทราบเป้าหมายที่แท้จริงของการทําทานว่าทำเพื่ออะไรบางคนก็อาจจะคิดว่าทำทานเพื่อให้เราร่ารวย อย่างบางวัดสอนว่ายิ่งทายิ่งรวยแต่นี่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการทาทานตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสอนการทาทานนี้อาจจะร่ำรวยได้แต่ส่วนใหญ่จะรวยในภพหน้าชาติหน้าถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดเงินทองที่เราใช้ทำบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินที่เราฝากไว้ในธนาคาร พอเราต้องการเงินพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่เช่นเราจะมาเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่งครอบครัวของเศรษฐีครอบครัวของกษัตริย์ครอบครัวของผู้ที่ร่ำรวยทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเป็นไปได้แต่เป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนานี้ไม่ต้องการให้พวกเรากลับมาเกิดกัน เพราะกลับมาเกิดถึงแม้จะมารวยขนาดไหนก็ยังต้องมาแก่มาเจ็บและมาตายไปถึงแม้จะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระมหาจากักรพรรดิก็ยังต้องแก่เจ็บตายไปพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงเลือกทางของมหาจากักรพรรดิพระพุทธเจ้านี้ถ้าอยู่ในทางโลกถ้าอยู่ครองราชต่อไปก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิเพราะบารมีอันยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้พระ อ, องค์สามารถครอบครองอาณาจักรต่างๆไว้ภายใต้อำนาจของพระ อ, องค์เองได้แต่เนื่องจากพระ อ, องค์นี้ทรงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นวิธีจะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่กลับจะเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปเพราะเวลาทำสงครามก็ต้องมีการทำบาปทำกรรมกันฆ่ากันแล้ว ก็ต้องมีการจองเวรจองกรรมกันอันนี้พระองค์ทรงเห็นว่าไม่ใช่เป็นทางสู่ความสุขสู่ความพ้นทุกข์พระองค์จะไม่ไปในทางนั้นพระองค์กลับเห็นว่าการที่จะพ้นทุกข์นี้ต้องไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่รักษาศีลไปเจริญสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อไม่ให้หลง เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสุขเพราะถ้าเห็นด้วยปัญญาจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวความสุขต่างๆนี้เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปได้เงินมาพอใช้เงินหมดความสุขก็หมดไปความทุกข์ก็ตามมา ได้แฟนมาก็มีความสุขพอแฟนจากไปก็กลายเป็นความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้นี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียเขาไปต้องจากเขาไปพระพุทธเจ้าทรงเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความสุขต่างๆที่อยู่ในโลกนี้จึงทําให้องค์พระองค์ทรงเห็นว่ามันเป็นความทุกข์กันเนี่ยที่เราร้องหง่มร้องไห้ก็ร้องไห้จาก สิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี่แหละเวลาเราเสียสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปเราก็ร้องห่มร้องไห้กันกินไม่ได้นอนไม่หลับกันท่านจึงเห็นว่าไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขก็เลยไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาพอทำใจให้สงบได้ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นลาบเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆล้วนเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบคอนไฟได้มาแล้วก็จางหายไปปล่อยให้ใจของเราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าเศร้าเศร้าหมองเราจึงต้องหาความสุขต่างๆอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่ ไม่ได้สามารถเก็บเอาไว้ได้เหมือนวิ่งตะครุบเงาวิ่งไล่เงาไปเรื่อยๆแล้วเงามันจะทอดอยู่ข้างหน้ารอเราอยู่ข้างหน้าพอเราตะครุบมันปับ๊บมันก็หนีเราไปอยู่ข้างหน้าอความสุขที่เราคิดว่าจะให้ความสุขแก่เราพอเราได้มาปับ๊บมันก็หายไปละไปเที่ยวมาปับ๊บกลับมาบ้านก็หายไปละนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า ไม่ใช่เป็นวิธีบำบัดทุกข์บำบุงสุขแต่ทรงเห็นว่าวิธีที่จะบำบัดทุกข์บำบุงสุขได้คือการทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วจะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าใครลองได้สัมผัสกับความสงบแม้เพียงครั้งเดียวแม้เพียงเชื่อระยะแค่งูแลบลินจะเกิดความยินดี จะเกิดความพอใจที่อยากจะหาความสุขแบบนี้ยินดีที่จะสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบเจ้าสรรเสริญสุขไปเนี่ยพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งในสมัยที่ยังเป็นเด็กนี่ทรงเคยสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบในขณะที่พระองค์อยู่ประทับอยู่ใต้โคนไม้ตามลำพัง ไม่มีบริษัทบริวารเขามีภารกิจต้องไปทำเลยปล่อยให้พระองค์อยู่ตามลำพันธ์พอไม่มีใครห้อมร้อมไม่มีใครมารบกวนความสงบใจก็เลยเข้าสู่ความสงบ พ, พระองค์จึงจำความสุขอันนี้ได้จึงเห็นว่าความสุขอันนี้แหละเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางสู่ความสุขที่ถาวร และจะสร้างความสุขแบบนี้ได้ต้องไปอยู่คนเดียวต้องไม่ทำบาปต้องรักษาศีลแล้วก็ควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆพอควบคุมใจหยุดความคิดได้ใจก็อยากจะนิ่งจะสงบพอสงบแล้วความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขที่เราสามารถรักษาไว้ได้ไม่มีใครจะสามารถแย่งจากเราไปได้ เพราะมันไม่ได้เป็นความสุขแบบความสุขทางร่างกายที่จะต้องมีวันเสื่อมหมดไปถ้าเรารู้จักสร้างความสุขอันนี้แล้วเราก็จะสามารถสร้างมันไปเรื่อยๆรักษามันไปเรื่อยๆให้มันสุขกับเราไปตลอดสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการรักษาความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิเวลาที่เราออกจากสมาธิมา ก็คือเราต้องมีปัญญามีปัญญามาคอยทำลายข้าศึกศัตรูของความสงบอะไรคือข้าศึกศัตรูของความสงบก็คือความอยากต่างๆนี่เองเพราะเกิดความอยากขึ้นมานี่ใจจะวุ่นขึ้นมาทันทีใจจะกระสับกระส่ายกระวลกังวายกินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมาทันทีไม่เชื่อลองอยากดูสิ อยากมีแฟนอยากให้คนนั้นเขาเป็นแฟนเราแค่นี้ใจก็ไม่สงบลวกังวลลนะห่วงลนะ้ว่าจะได้เขามาเป็นแฟนหรือเปล่านะกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดอยู่กับคิดอยู่กับแฟนอย่างเดียวอยากจะได้เขาอย่างเดียวนะใจก็กังวลวิตกหผล่ไม่รู้เขาจะเอาเราหรือเปล่าเขาจะชอบเราหรือเปล่านะคิดไปต่างๆนาน า, นานะแต่ถ้าเราไม่คิดจะมีแฟนนี่สบายไหม เฉยเย็นสบายไม่เดือดร้อนใครจะเป็นแฟนเราหรือไม่เป็นแฟนเราเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วพอได้แฟนมาไม่ใช่ว่าจะดีนะมาได้มาแล้วก็หวงห่ะหวงน ะ, งนะเดี๋ยวก็ไปคุยกับใครหน่อยก็ไม่สบายใจแล้วไม่เห็นหน้ากันหน่อยก็คิดถึงห่วงใยกันแลแล้วถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปจากเราไปทีนี้ก็ยิ่งยิ่งทุกข์ใหญ่ ดีไม่ดีอจากฆ่าตัวตายอันนี้เป็นเพราะความอยากของเราการที่เราขาดปัญญามองไม่เห็นว่าไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนได้คนที่ให้ความสุขกับเรากลับมาให้ความทุกข์กับเราก็ได้คนที่จะทำร้ายเรานี้ทำร้ายเรานี้ไม่ใช่คนไกลตัวหรอกคนใกล้ตัวทั้งนั้นะ ส่วนใหญ่ถ้าไปดูสติติแล้วจะเป็นคนที่ใกล้ตัวเราตายด้วยคนที่อยู่ใกล้ตัวกันนี่แหละเวลารักกันก็รักกันพอเวลากโกรธกันเกลียดกันก็คิดถึงกันฆ่ากันเลยเหตุนั้นเมื่อสองวันก่อนก็มีข่าวหมอใช่ไหมถูกทหารชีวิตก็ไปฆ่าใครก็ฆ่าสามีฆ่าแฟนคนใกล้ตัวกันตอนต้นก็รักกันแล้วตอนหลังก็มาผิดใจกัน ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็เลยทำให้โกรธแค้นขึ้นมาจนถึงกับต้องไปว่าจ้างคนอื่นมาฆ่าแฟนฆ่าสามีไปนี่แหละคือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันความสุขเป็นเหมือนกับน้ำน้ำตาลเคลือบยาขมน้ำตาลผิวบางๆที่เคลือบยาขมเพื่อให้เรากลืนยาได้ง่ายได้สะดวกแต่ถ้าเราอมไว้เดียวๆมันก็จะขมขึ้นมาทันที ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาความทุกข์เคลือบความสุขความสุขผิวบางๆเท่านั้นเองถ้าเราไม่เชื่อลองพิจารณาด้วยปัญญาดูว่ามีอะไรจะเหมือนเดิมไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาจะเป็นเหมือนเดิมจะให้ความสุขเราเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆไหมไม่มีหรอกของต่างๆพอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปมันก็เสื่อมลงไป เดี๋ยวมันก็เก่าไอ้แม่โทรศัพท์มือถือนี่เราเปลี่ยนมากี่เครื่องแล้วใช้ไปสักพักเดง๋ยเดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวก็มีเครื่องใหม่ออกมารุ่นใหม่ออกมาก็อยากได้ของใหม่ของเก่าก็โยนทิ้งไปนี่คือสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราเพราะเราไม่ใช้ปัญญากันเราใช้อารมณ์ใช้ความหลง เห็นอะไรชอบก็คิดว่าให้ความสุขกับเราทันทีแต่ไม่คิดว่าเกิดมันเปลี่ยนไปเกิดมันหายไปความสุขนั้นมันก็จะหายไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาที่เราจะใช้ในการที่จะคอยทำลายข้าศึกศัตรูที่จะมาสร้างความไม่สบายไม่สงบให้แก่ใจของเราถ้าทุกครั้งเราอยากแล้วเรามีปัญญา เราจะสามารถหยุดความอยากได้เมื่อเราหยุดความอยากได้แล้วต่อไปความอยากนั้นจะไม่กลับมาอีกเพราะเราเห็นโทษของมันเหมือนกับเราเห็นว่าเป็นยาพิษพอเรารู้ว่าเป็นยาพิษนี้ต่อให้มันราคาแพงขนาดไหนเราก็ไม่เอาแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ซื้อมากินกันใช่ไ ห, ไหมเล่าไวายขวดละเป็นหมื่นก็ยังซื้อมาดื่มกันมันเป็นยาพิษหรือเป็นเป็นยา ยาโอสถกันแน่ดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นยังไงถามหมอดูคนที่ติดสุรายาเมาตับไตไสูุ้งเป็นยังไงมีโอกาสที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากกว่าคนที่ไม่ดื่มสุราแต่ความหลงคิดว่าดื่มแล้วมีความสุขก็เลยยอมเสียเงินซื้อสุราราคาแพงๆบางขวดบ า, บางชนิดนี่ตกเป็นเบืร ขวดแล้วเป็นเหมือนก็มี <Yeah. S 1> เพราะคิดว่าเดิมแล้วมีความสุขกัน <Yeah. S 1> อันนี้แล้วก็ทำให้อายุสั้นนอกจากนั้นยังทำให้หมืนเมาไม่สามารถควบคุมความคิดไม่สามารถควบคุมการกระทาการพูดของตนได้ <Yeah. S 1> ก็อาจจะไปพูดลามปามพูดวาจาไม่สุภาพหรืออาจจะไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ได้ <Yeah. S 1> นี่เพราะไม่มีปัญญา ถ้ามีปัญญาคนเราจะต้องเห็นว่าสุรานี่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของพวกเราเสียเงินเสียทองไปปล่าประโยชน์เสียเวลาด้วยอาจจะเสียโอกาสด้วยเพราะถ้าเราดื่มสุรามากๆนี่เวลาตื่นเช้าไปทํางานก็ไปไม่ไหวเดี๋ยวก็ขาดงานขาดงานบ่อยๆก็จะต้องถูกเขาไล่ออกจากงานไปนี่คือโทษที่เรามองไม่เห็นกัน เพราะเราใช้อารมณ์ถ้าเราชอบอะไรเราจะว่ามันดีเราไม่พิจารณาว่ามันดีจริงหรือเปล่าดีดีอย่างไรดีสั้นๆแต่ระยะยาวมันกลายเป็นอะไรไปต้องใช้ปัญญาต้องใช้วิธีพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆแล้วเราจะได้ไม่ไปหลงไหลแล้วเราก็จะได้หยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเราหยุดความอยากต่างๆได้ ใจของเราก็จะสงบแล้วก็มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิที่เราต้องเข้าไปในครั้งแรกนี้เพราะว่าเราไม่สามารถทำให้มันสงบได้เราจึงต้องควบคุมความคิดหยุดความคิดก่อนเราไม่ยังไม่สามารถทำลายความอยากได้เราก็เราต้องใช้สติควบคุมความคิดหยุดความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ เพราะถ้าคิดแล้วความอยากจะโผล่ขึ้นมาพอเราไม่คิดใจก็จะสงบแล้วเราก็จะเห็นประโยชน์ของการไม่คิดของการไม่มีความอยากพอเราออกจากสมาธิมาเราก็จะมาใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามนไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราในโลกนี้ สิ่งต่างๆที่เราได้มาในขณะนี้เดี๋ยวเวลาเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยของทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากได้เพราะเวลาได้มาแล้วเวลาเขาจากเราไปมันจะทำให้เราทุกข์นี่คือปัญญาที่เราจะใช้หลังจากที่เราได้ความสงบจากการนั่งสมาธิแล้วถ้าเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆได้หมดไปจากใจ ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจของเราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือวิธีบำบัดทุกข์บำบุงสุขที่แท้จริงที่ถูกต้องที่ถาวรที่ได้รับการพิสูจน์จากพระพุทธเจ้าจากพระอรหันตสาวุกทั้งหลายมาแล้วท่านจึงนำม า, มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนาเอาไปปฏิบัติ เราก็จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆบำบุงความสุขให้ที่ถาวรให้อยู่กับเราไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดได้ดังนั้นขอให้เรามีความแน่วแน่มั่นคงต่อศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพยายามน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของพวกเราด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็ว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 ด้วยอายุวยันนัสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ